กายในขณะที่ประจบกับผทธพะและมโนหรือมณะคือใจในขณะที่ประจบกับธรรมะคือเรื่องราวโดยมีสติรักษาไว้คือรักษาใจนี้เองมิให้ยึดถือรูปที่ตาเห็นเสียงที่หูได้ยินเป็นต้นนั้น โดยนิมิตคือทั้งหมดหรือโดยอนุภยัยจัญนะคือบางส่วนมีให้อาสะวะคือกิเลสอกุศลธรรมทั้งหลายที่ระบุไว้ก็คือความยินดีความยินร้าย ไหลเข้าสู่จิตใจให้สิ่งที่ตาเห็นสิ่งที่หูได้ยินเป็นต้นนั้นตกอยู่แค่ตาแค่หูจึงเป็นสักแต่ว่าได้ยินสักแต่ว่าได้เห็นเป็นต้นไม่ยึดถือ ให้กิเลสอกุศลธรรมทั้งหลายเข้าสู่จิตใจเป็นจาระเครื่องดำเนินถึงวิ ช, ชาเป็นข้อที่สองถึงพร้อมด้วยสติสัมปชัญญะ สติก็คือความระลึกได้สมปัญญาก็ ค, คือความรู้ตัวในอารมณ์ทั้งหลายในอิริยาบททั้งหลายสติคือความระลึกได้นี้ เมื่อมีอยู่ก็จะทำให้มีความรู้ตัวและความรู้ตัวนี้เมื่อมีอยู่ก็จะทาให้มีสติความระลึกได้ทั้งสองนี้จึงต้องอาศัยกันประกอบกันเป็นไปแม้ว่า จะยกขึ้นกล่าวเพียงข้อเดียวว่าสติก็จะต้องมีสัมปชัญญะรวมอยู่ด้วยหรือจะยกสัมปชัญญะขึ้นกล่าวก็ต้องมีสติญญรวมอยู่ด้วยยกตัวอย่างเช่นหายใจเข้าหายใจออก เมื่อสติไม่กำหนดก็ย่อมไม่มีความรู้ตัวว่าเราให้ใจเข้าเราให้ใจออกดังโดยปกตินั้นทุกคนมักจะไม่ได้นึกถึงลมหายใจเข้าออกของตนเพราะฉะนั้นจึงไม่รู้ตัวว่า เราให้ใจเข้าเราให้เราให้ใจออกอยู่ต่อเมื่อมีสติกำหนดที่ลมหายใจจึงมีความรู้ตัวอยู่ในลมหายใจและในขณะที่มีความรู้ตัวอยู่ในลมหายใจนี้สติก็ย่อมกำหนดอยู่ด้วยกัน เพราะฉะนั้นสัมบัญญัติจึงต้องอิงอยู่กับสติและสติก็ต้องอิงอยู่กับสัมชัญญะคู่กันไปสติที่มีสัมชัญญะจึงเป็นสติที่สมบูรณ์สัมบัญญัติที่มีสติจึงเป็นสติที่สมบูรณ์ ยังเป็นสัมปชัญญะที่สมบูรณ์และความถึงพร้อมในสัมปชัญญะนี้ก็ให้มีอยู่ในการที่จะทำคำที่จะพูดเรื่องที่จะคิด และในการที่กำลังทาในการที่กำลังพูดในการที่กำลังคิดตลอดจนถึงในการที่ทำแล้วพูดแล้วคิดแล้วและให้มีในสัมปชัญญะยืนเดินนั่งนอนซึ่งในข้อนี้ ท่านยกสัมปญญายขึ้นเป็นหัวหน้าว่าให้มีความรู้ตัวคือเมื่อเดินก็รู้ตัวว่าเดินเมื่อยืนเมื่อนั่งเมื่อนอนก็รู้ตัวว่ายืนนั่งนอนหรือเมื่อ เยื่องกายในอิริยาบถเล็กน้อยเข็นเก้าวไปข้างหน้าถอยไปข้างหลังแลเหลียวเหยียดอวัยวะออกไปคูอวัยวะเข้ามานุ่งหม่ม กินเดิมริมเรียกว่าน้ำเข้าขับไทยเรียกว่าน้ำออกและรวมทั้ง ในการเดินในการยืนในการนั่งในการนอนในการหลับในการตื่นในการพูดในการนิ่งทั้งหมดก็ให้มีสัมปัญญะคือความรู้ตัวสำหรับในอิริยาบถใหญ่ในอิริยาบถน้อยดังนี้ท่านยกเอาสัมปัญญะขึ้นเป็นหัวหน้า แต่ก็ต้องมีสติด้วยคือเมื่อจะทำอิริยาบทหรือผัดเปลี่ยนอิยาบทอันใดก็ให้มีสติกำหนดอยู่ในการทำในการผัดเปลี่ยนอิยาบทอันนั้นจึงจะมีความรู้ตัวในอิยาบทที่ทำ ในอิริยาบถที่ผัดเปลี่ยนหัดให้มีสติสัมปชัญญะอยู่กับตนให้มากหรือให้เสมอและเมื่อเสมอได้จึงจะมีสติสมบูรณ์ ที่ท่านแสดงว่าพระอระหันต์เป็นภูมิสติสมบูรณ์แต่เมื่อยังไม่เป็นพระอระหันต์ก็บกคร่องน้อยบ้างมากบ้างแต่ก็ต้องพยายามหัดปฏิบัติให้มีสติมากที่สุดพร้อมทั้งสมปัญญารักษาตน ให้เป็นสติเนปะกะที่แปลว่ามีสติรักษาตนเป็นจรณะเครื่องดำเนินถึงวิชาเป็นข้อที่สามสันโดษคือความยินดีพอใจด้วย ปัจจัยเครื่องอาศัยคืออาหารผ้านุงมมที่อยู่อาศัยยาแก้ไขตลอดจนในสิ่งอื่นที่พึงได้พึงถึงทั้งหลายหรือที่ได้ที่ถึงทั้งหลายตามมีตามได้อันเรียกว่ทยาลาาภาสันโดษ และพระอาจารย์ยังได้แสดงอธิบายตลอดจนถึงความยินดีพอใจตามกำลังอันเรียกว่ายะถาภะละสันโดษความยินดีพอใจตามที่ถูกที่ควร อันเรียกว่าจถาสารุปปสันโดษเป็นจรณะคือเครื่องดำเนินถึงวิ ช, ชาเป็นข้อที่สเศพเสนาสนะอันสงัดก็คือที่นอนที่นั่งอันสงัดเป็นต้นวาปาโคนไม้ เรือนว่างหรือที่ใดที่หนึ่งอันเป็นที่สงัดเป็นกายวิเวกสงัดกายและเป็นไปเพื่อกิตตวิเวกสงัดจิต อ, อุปธิวิเวกสงัดกิเลสเป็นจารณนะ เรื่องดำเนินถึงวิชาเป็นข้อที่ห้าเรื่องจิตจากนิวรณ์ตั้งห้านิวรณคือกิเลส ท, ที่บังเกิดขึ้นรุ่มรุมจิตใจทำจิตใจให้กลัดกรุ่ม บุนไวยไม่สงบและทําปัญญาคือความรู้ให้อ่อนจึงเป็นเครื่องกัน้นมิให้ได้สมาธิมิให้ได้ปัญญาคือความรู้ทั่วถึง มีห้าคือหนึ่งกามฉันความพอใจรักใคร่ในกามคือรูปเสียงกลิ่นรสพจนพระที่น่ารักใคร่ปรารถนาพอใจทั้งหลายอันเรียกว่าวัตถุ ก, กาม ด้วยอำนาจของกิเลสกรรมคือตัวความใคร่ความติดใจยินดีความปรารถนาต้องการมีบอนข้อนี้มีอยู่แก่ผู้ใดผู้นั้น ก็เหมือนอย่างคนที่เป็นนี่เขาก็ต้องส่งดอกแก่เจ้านี่อยู่เสมอฉันใดก็ดีคนที่ถูกการมาฉันครอบงำก็ทำให้ ต้องแสวงหาวัตถุกรรมทั้งหลายท่งกิเลสกรรมหรือบาเรากิเลสกรรมในจิตใจของตนเหมือนอย่างต้องคอยทรงดอกแก่เจ้านีอยู่เป็นประจำเพราะฉะนั้นเมื่อจิตใจยังถูกกรรมมาฉันครอบงำอยู่ จึงเหมือนอย่างเป็นลูกหนี้ที่ต้องหาใส่เสนอบำเรอส่งเจ้านี้คือส่งดอกแก่เจ้านี้อยู่ตลอดไป แต่เมื่อเปรื่องกิจจากการมาฉันเสียได้โดยที่มาปฏิบัติกำหนดอยู่ในอสุภนิมิตคือเครื่องกำหนดว่าไม่งาม ในสิ่งที่เป็นอารมณ์ของกามฉันนั้นคือกามฉันนั้นยอมเกิดจากความที่มายึดถือในสิ่งที่เป็นอารมณ์ของกามฉันว่างามอันเรียกว่าสุภนิมิตแต่เมื่อมาปฏิบัติ กำหนดลงไปในสิ่งนั้นว่าไม่งามคือให้เห็นอสุภนิมิตขึ้นการมัชันก็สงบลงไปได้ก็เป็นอันว่าเปลืองนี้ได้ไม่ต้องหาวัตถุกรรมมาส่งดอกแก่เจ้านี้คือกิเลสกรรมในใจตัวเอง อีบอลข้อต่อไปก็คือพยาบาทความโกรธแค้นขัดเคืองจนถึงมุ่งล้างพลานให้วิบัติเมื่อบังเกิดขึ้นในจิตใจยอมทำให้จิตใจ รุ่มร้อนไม่สงบเพราะโทสะนี้ย่อมเสียดแทงจิตใจเหมือนอย่างโรคร้ายที่บังเกิดขึ้น เสียแทงร่างกายทำให้เกิดทุกขเวทนาแรงกล้าตามกำลังของโรคน้อยหรือมากโทสะก็เสียแทงจิตใจให้เจ็บปวดรวดร้าวน้อยหรือมากเหมือนอย่างโรค แต่ว่าเมื่อมาปฏิบัติอบรมเมตตาให้มังเกิดขึ้นเมือม่อเมตตาบังเกิดขึ้นได้จิตก็จะพ้นจากพยาบาทได้เปลืองจิตจากพยาบาทได้ เพราะฉะนั้นเมตตาจึงเรียกว่าเมตตาเจโตวิมุตรและเมตตานี้เองยอมดับปฏิฆะนิมิตคือความกำหนดหมายกระทบประทั่งอันเป็นมูลของโทสะพยาบาทเสียได้เมตตาบาังเกิดขึ้นแทนก็เปลืองโทสะได้ เมตตาที่เปลื้องโทสะนี้ได้ก็เป็นเมตตาเจโตวิมุตตก็เหมือนอย่างคนที่เป็นโรคก็พ้นจากโรคได้หายโรคได้นิวรณ์ข้อต่อไปก็คือถีนมิธะความง่วงงุนเคลิบเคลิม้มเมื่อบังเกิดขึ้นในจิตใจก็ทำให้จิต ก็ทำให้กายและจิตใจอ่อนแอท้อแท้ไม่เข้มแข็งที่จะลุกขึ้นประกอบกริยาคือกิจที่ควรทำทั้งหลายจึงเป็นเหมือนอย่าง เรือนจำซึ่งเมื่อต้องโทษติดอยู่ในเรือนจำก็ต้องนั่งเอาง่วงอยู่ในเรือนจำจะไปไหนก็ไม่ได้แม้ว่าจะต้องทำการงานก็ทำการงานตามที่ผู้คุมบังคับไม่ปรารถนาจะทำก็ต้องทำ หน้าเบื่อนายฉะนั้นเมื่อมาปฏิบัติเรื่องจิตจากถีนมิทธะได้ด้วยการที่มาทำอะโลกาสัญญาความสำคัญหมายว่าสว่างทำจิตใจให้สว่าง หรือว่าทำจิตใจให้เข้มแข็งขึ้นด้วทธาตุของความเพียรคืออารัมพธาตุเริ่มจับทรกมการณิยะคือกิจที่ควรทำ ในขณะที่งุงุนเคลิบเคลิ้มลุกไม่ขึ้นจากที่นอนลุกไม่ขึ้นจากที่นั่งก็ทำจิตใจให้เข้มแข็งลุกขึ้นมาเริ่มจับทำกิจติคนททำทันทีไม่ตามใจคือไม่ตามอำนาจ ของความง่งเิน ง, ง, ง, ง, ง, ง, ง, ง, ง่งเงินงงงินเครื่มคลื่มก็เป็นอันว่าได้จับความเพียรที่แรกดังนี้เป็นอารัมพธาตุและเมื่อเริ่มขึ้นแล้วก็ต่อไปก็เป็นนิกรรมธาตุและก็ก้าวไปทีละขั้นทีละขั้นข้างหน้าไม่ถอยหลังก็เป็นป ร, รักกรรมธาตุ จนบรรลุความสําเร็จดังนี้ก็เป็นเครื่องแก่ถีนมิทะความงุนงงเคลิบเคลิ้มซึ่งบังเกิดขึ้นจากเหตุหลายอย่างเช่นบังเกิดเช่นบังเกิดขึ้นจากความที่ซึมเศราบังเกิดขึ้นจากการที่เพ่งบริโภคอาหารเหล่านี้เป็นต้น แต่ว่าก็สามารถที่จะเปลื้องจิตจากความงุ่งวุนเคลิบเคลิมได้ก็เหมือนอย่างพ้นจากเรือนจำได้เป็นอิสระเสรีมีวลข้อต่อไปก็คืออุทธะกุจะความฟุ้งซ่านรำคาญใจยอมบังเกิดขึ้น จากเรื่องที่ทำให้ฟุ้งซ่านํำคาญใจทั้งหลายซึ่งมีอยู่เป็นอันมากและเมื่อบังเกิดขึ้นแล้วจิตใจนี้ก็เหมือนอย่างเป็นธาตุก็เพราะว่าความฟุ้งซ่านรํำคาญใจนี้ก็จะส่งใจนี้ให้สัดนสายไปโน่นสัดสายไปนี่ไม่หยุด อยู่กับที่ได้ก็เหมือนอย่างทาสที่ถูกนายสั่งใช้ให้ทำงานนนทนให้ทำงานนี่ให้ไปนนท์ให้ไป น, น, ไปนี่อยากจะหยุดนั่งพักบ้างอยากจะนอนบ้างก็ไม่ได้เพราะเป็นทาสเขาเมื่อนายเขาสั่งให้ไปไหนให้ทาอะไรก็ต้องทำจิตใจนี่ก็เหมือนกันเมื่อมีทีนมิทะเมื่อ เมื่อมีอุทธจักุกุจจะความฟุ้งซ่าน ร, รำคาญใจก็ถูกความฟุ้งซ่าน ร, รำคาญใจนี้ส่งให้ซัดสายไปต่างๆไม่มีเวลาที่จะหยุดจนถึงเครียดไปเครียดมาในเรื่องทั้งหลายเป็นอันมากแต่เมื่อมาปฏิบัติเรื่องจิต จากอุทธจากกุฏิจะกได้โดยมากำหนดในสมถะนิมิตเครื่องกำหนดหมายที่ทำให้จิตสงบเครื่องกำหนดหมายที่ทำให้จิตมีอารมณ์เป็นอันเดียวไม่มีอารมณ์มากเช็นสติกำหนดลมหายใจเข้าออกรวมอยู่เป็นอารมณ์เดียวก็จะเปลืองจิตจาก อุทจักรขุดจะได้ก็เหมือนอย่างว่าเรื่องตนออกจากความเป็นทาดเขาได้ข้อต่อไปก็คือวิจิกิจฉาความง่วงงุนความความลังความเครือบแครงสงสัยลังเลไม่แน่นอนใจอันมันเกิดขึ้น จากเรื่องอันเป็นที่ตั้งของวิจิตรขาคือความเคลือบแคลงสงสัยซึ่งมีอยู่เป็นอันมากเห็นบางทีก็คิดไปว่าเมื่อก่อนนี้เราเป็นอะไรมาจากไหนเดี๋ยวนี้เราเป็นอะไรและต่อไปเราจะเป็นอะไรดังนี้เป็นต้นตลอดจนถึงเรื่องที่ไม่น่าจะคิดต่างๆอเป็นอันมากที่ชอบนำเอามาคิด ก็ทำไม่เกิดความเคลือบแคลงสงสัยเมื่อบังเกิดขึ้นครอบงำใจก็ทำให้จิตใจนี้ไม่ได้ข้อตกลงที่แน่นอนเต็ไมไปด้วยความสงสัยว่าอะไรจะเป็นอะไรเป็นอันว่า จะทำอะไรก็ทำไปไม่ได้สะดวกพระมวสงสัยอยู่จนว่าจะทำยังไงจะมีผลอย่างไรเหล่านี้เป็นต้นก็เป็นอันว่าทำให้ไม่ได้ความแน่นอนใจทำให้ขาดความเชื่อในตัวเองที่จะทำอะไรลงไปให้ถูกต้อง ท่านจึงเป็นท่านจึงเปรียบเหมือนอย่างว่าเดินทางไกลเพราะว่าการเดินทางไกลนั้นจะต้องเดินนานกว่าจะถึงจุดหมายปลายทางและถ้ายิงหลงทางก็ยิ่งเป็นอันว่าไปไกลหนักขึ้นวิธิตรชาก็เหมือนกันทำให้ไม่สามารถที่จะถึงข้อตัดสินใจได้ หรือว่าคอยุติลงได้ว่านั่นเป็นนี่นี่เป็นนั่นเมื่อเป็นดังนี้ก็เหมือนอย่างเดินทางไกลที่ไม่รู้จักถึงสักทีหนึง่งแต่ว่าเมื่อมาเปลื้องความสงสัยเสียไดย้ด้วยชโยนิโสมนสิการพิจารณาจับเหตุจับผลมาใส่ใจ ว่าอะไรเป็นเหตุอะไรเป็นผลหรืออะไรเป็นผลอะไรเป็นเหตุให้ถูกต้องตลอดจนถึงศึกษาสำเนีจอไปถามท่านผู้รู้และนำมาไตรตรองพิจารณาและมาปฏิบัติก็จะทำให้สามารถพบคอยยุติได้ได้ความตกลงใจได้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 แต่ว่า้ามีวิจิตรช้าอยู่แล้วก็ตัดสินใจไม่ได้ขาดข้อตกลงใจทำให้เป็นอันว่าล่วงขณะไป